ละคัทโูปมาสูตรมัชิมนิกายมูลปัญ น, นาตข้อ279หน้าสองบรรทัดที่ห้าจากบนนะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ hmm. เธอทั้งหลายพึ่งรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิทธิ์ของเราก็พึ่งเออพึ่งรู้ขออภย ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของเราอย่างใดพึงทรงจําเอาไว้อย่างนั้นเถิดรู้แล้วเข้าใจอย่างใดเนี่ยนะกำหนดจดจําเอาไว้ให้ดีอย่างนั้นก็แลท่านทั้งหลายไม่พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของเราพึงสอบถามเราหรือพึงถามภิกษุผู้ฉลาดก็ได้อันนี้สําคัญนะใช่ไหม ว่าถ้ารู้อย่างใดเข้าใจอย่างไหนให้กำหนดจดจำเอาไว้อย่างนั้นเลยทีนี้ถ้าไม่เข้าใจละ่ะถามพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถามพระพุทธเจ้าก็ถามผู้ที่เช้าฉลาดนะถามว่าผู้ฉลาดคือใครเยวาปนาสุพยาตาภิกข u ความว่าก็หรือว่าพึงสอบถามเหล่าภิกษุผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระมหากัจจายนะเป็นต้น แต่ภิกษุไม่พึงเป็นเหมือนอริ t ฐภิกษุใส่เปลือกตมหรืออยากเยื่อลงในศาสนาของเราไปถามคนที่เขาเป็นสิไปถามพระพุทธเจ้าอย่างสมัยใหม่เอาแล้วเราจะไปถามใครละ่ะถามพระพุทธเจ้าอย่างไงก็อย่าใช้หนังสือเล่มเดียวอย่าใช้หนังสือเล่มเดียวพยายามอ่านให้มากๆพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะอธิบายกันเองพยายามอ่านให้หลายๆเล่มและพระไตรปิฎกแต่ละเล่มจะอธิบายกันเอง ที่สำคัญให้รู้ว่าอะไรอธิบายอะไรแค่นั้นอันนี้สําคัญนะฮะข้อไหนอธิบายเป็นข้อไหนพุทธพจน์อันไหนอัตถกาถาอันไหนอธิบายเนี่ยนะสับไหนอธิบายศัพบไหนเป็นต้นอันนั้นแหละสาคัญที่นี้ถามว่าการเรียนธรรมะเนี่ยนะวันเดียวมันไม่เข้าใจหรอกยังไงมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วละ่ะคือใครที่คิดว่าเลือกเดินเส้นทางศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความดียังไงมันก็ต้องทุ่มเทกันเสียสละกันละ ถามวาให้เวลาเท่าไหร่ก็ชั่วชีวิตนั่นแหละจนกว่าจะปรินิพานถ้าคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมที่ถูกที่ต้องก็ต้องทุ่มเทกันเนี่ยนะอย่าว่าแต่ทางธรรมะเลยแม้แต่การประกอบชีวิตให้อยู่ในวัตฏะเขาก็ทุ่มเทกันเนี่ยนะเขาก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ฉันใดผู้ที่คิดว่าตัวเองจะออกจากวัตฏะก็ควรที่จะ ทุ่มเทแต่ทีนี้การทุ่มเทก็ไม่ใช่ว่ารีบจนเกินไปเร่งจนเกินควรหรือก็เนิ่นช้า จ, จนเกินเกินเหตุเนี่ยนะก็เรียกว่าหาความพอดีความพอเหมาะพอสมให้พบอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ประสองค์อะไรเราเราผู้ในฐานะผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจับเอาพุทธประสงค์ของพระองค์เป็นหลักว่าคํานี้พระพุทธเจ้าประสองค์อะไรพระองค์ต้องการไว้อย่างไรพระองค์สอนอะไร ถ้าไม่เข้าใจก็ถามสิว่าเรื่องนี้ภาษาริบุตรอธิบายไว้ในที่อื่นๆอย่างไรพระโมคคลารนะอธิบายไว้อย่างไรพระมหากัจยนะอธิบายไว้อย่างไรพระมหากสปะอธิบายไว้อย่างไรพระอนนท์เป็นต้นอธิบายเอาไว้อย่างไรเนี่ยนะทีคณิกายอธิบายไว้อย่างไรมะชิมนิกายสังยุตอังคุตติกนิกายพระวินัยพระสู่พระพิธรรมแต่ละอย่างอธิบายเอาไว้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจก็รีบใส่โคลนต้มลงในาศาสนา เหมือนอริธาภิกษุละ่ะใส่เปลือกตมก็คือใส่โครนตรมก็คือใสเขาเรียกว่าใส่เชื้อราสารพัดชนิดลงในศาสนาเทขยะมูลฝอยลงในพระพุทธศาสนาเทขยะลงในศีลเทขยะลงในสมาธิหรือเทขยะลงในปัญญาก็กลายเป็นผู้ที่ทําลายพระศาสนาเนี่ยนะมันถ้าเป็นผู้ที่ทําลายศาสนาจะไปไหนก็ขุดรากของตัวคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้รรดี เมื่อใดธรรมะก็สวาักขาโตเมื่อใดสาวกของพระพุทธเจ้าก็สุปฏิปันโนแต่คนที่เข้ามาพลาดในภาษาศาสนาเนี่ยนะคนที่เข้ามาพลาดอันนี้แหละเป็นข้อที่เสียหายที่เราจะต้องเพ่งรมะมัดระวังสังวรใส่ใจให้ดีให้มากๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่พยายามเนี่ยนะสมาทานอธิษฐานพยายามว่าสิ่งใดผิดจากคาสอนเราก็อย่าเอาสิ่งนั้น สิ่งใดเป็นคําสอนเราก็ควรที่จะกําหนดจดจําเอาไว้สิ่งนั้นถ้าจะคิดก็ขอคิดคําสอนถ้าจะพูดก็ขอพูดคําสอนสิ่งที่เราคิดอยู่นี้เป็นคําสอนไหมและคําสอนอันนี้อยู่ในเบื้องต้นท่ามกลางหรือในที่สุดเนี่ยนะเป็นศีลเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธหรือเป็นมรรคเป็นวัตตะหรือเป็นวิวัตตะเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นต้นซึ่งเราจะต้องหมั่นจําแนกแยกแยะพิจารณา ใครครวญเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็พลาดแล้วก็บางอย่างเนี่ยนะโอกาสพลาดมันมันมีแค่ครั้งเดียวเขาเหมือนอะไรนะเหมือนส่งส่งคนออกไปนอกโลกอะนะพลาดแล้วตายเลยนะนี่นะนก็เหมือนกันถ้าเราคิดจะออกจากวะตะก็เหมือนกันถ้าหากว่าศึกษาไม่ใส่ใจไม่มนานักสิการให้ดีๆพลาดแล้วไปไหนนะกลายเป็นว่าคนที่กลับไปล้าหลังกับเพื่อนเลยแหละถ้าหากว่าความผิดพลาดนั้นบังเกิดขึ้น เพนก็พยายามที่เรียนมาอย่างไรก็พยายามกําหนดทรงจําให้ดีแต่ต้องมีความมั่นใจว่านี้เป็นพุทธพจน์เนื้อความแห่งภาษิตของพระพุทธเจ้านี้เป็นภาษิตของพระพุทธเจ้านี้เป็นพุทธพจน์ต้องพยายามจําเอาไว้ตรงนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าขึ้นต้นแรกเริ่มเนี่ยเราเรียนพุทธศาสนาอยู่ดีๆเอานานๆเข้านานๆเข้าจําพุทธคำพระพุทธพจน์ไม่ได้เลยแม้แต่คําเดียวอ้างเอกลักษณ์เป็นของส่วนตัวเห็นะ พยายามค้นหาเอกลักษณ์ที่เป็นส่วนตัวซึ่งไม่ใช่พุทธพจน์ทีนี้ถ้อยคําของบุคคลที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีส่วนเหลือเป็นถ้อยคําที่มีโทษเป็นขยะแห่งถ้อยคําถ้าถือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ผิดอีกหลายอย่างเนี่ยนะถือซ้ายก็ผิดขวาเช่นโจทย์บางอย่างเนี่ยนะอ่าที่เราคิดตามแล้วสร้างแต่ความเสียหายให้อย่างเดียวมีเยอะมาก มีเยอะมากนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เอ่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษของเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็มีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วล่ะแต่ทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมด้วยล่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังคนอื่นเขาเป็นบาปเราต้องเป็นบาปด้วยไหมคนอื่นเขาเบียดเบียนพุทธพจน์เราต้องเบียดเบียนด้วยไหมคนอื่นเขาฆ่าสารเราต้องฆ่าด้วยไหมคนอื่นเขาลักทรัพย์เราต้องลักด้วยไหมคนอื่นเขาประพฤติผิดในกรรมเราต้องประพฤติด้วยไหม คนอื่นเขาพูดเทศเราต้องพูดด้วยไหมคนอื่นเขาพูดสอเสียเราต้องพูดด้วยไหมคนอื่นเขาพูดหยาบเราต้องพูดด้วยไหมคนอื่นถ้าพูดเพอเจอร์เราต้องเพอเจอร์ตามหรือเปล่าคนอื่นเขาเป็นมะเร็งเราต้องเป็นด้วยไหมคนอื่นเขาเป็นเอชเราต้องขอดูดน้าลายหน่อยได้ไหมเป็นต้นไม่มีใครเขานิ่มขนาดนั้นนะถ้าพูดทั้งธรรมดาเนี่ยชั้นใดก็ดีถ้าคนอื่นเขาพลาดจากคําสอนเราต้องพลาดด้วยใช่ไหมก็ไม่มีความจําเป็นเมื่อคนอื่นเขาเจริญอาภิชาเขามีอาภิชาเราต้องอาภิชาด้วยไหม คนอื่นเขาโกรธเขาผูกโกรธเราต้องโกรธต้องผูกโกรธต้องพยาบาทด้วยไหมคนอื่นเขามีความเข้าใจผิดเราต้องเข้าใจผิดด้วยไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชนเราอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเถอะเขาจะเบียดเบียนก็ช่างเขาแต่ข้อนี้เราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราต้องไม่ฆ่าสัตว์มันพุทธศาสนาของเราเน้นสําคัญอยู่ที่ใครผู้ใดปรารถนาพ้นทุกผู้นั้นก็จงศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของ พระพุทธเจ้าเถอะทีนี้บางคนก็เน้นไปแก้ไขคนที่เขาไม่ได้อยากพ้นทุกข์อะไรเป็นไปได้อย่างไงใช่ไหมเราก็ต้องถือเอาถ้าหากว่าเราปรารถนาความเป็นพ้นทุกข์เนี่ยนะก็ถือเอาเราเป็นประมาณก่อนก็มีว่าเราเนี่ยในฐานะผู้มาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาทํำยังไงใจเราจะอยู่กับคําสอนของพระศาสดาถ้าจะจําก็ขอกําหนดจดจําถ้อยคําของ ภาษาสดาและพระพุทธเจ้าบอกอะไรเรากําหนดจดจําเอาไว้เลยและพระธรรมที่เราจําไว้นี้เอามาจากที่ไหนเรื่องอะไรพระองค์บอกเราไว้อย่างไรเราเข้าใจตามพุทธประสงค์หรือไม่นะถ้าเข้าใจไม่พอก็อ่านให้มากเรียนให้เยอะเนี่ยหรือไม่ก็สอบถามคนที่เราเชื่อใจได้แต่ผู้ที่เราไปถามคําถามเนี่ยอันนี้สําคัญมากจากการเดินทางหลายๆครั้งเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดหลายครั้งเนี่ย ทำให้คิดอันหนึ่งว่าคนที่เราถามบางทีก็เชื่อมากไม่ได้ น, นะมีอยู่ครั้งหนึ่งจะไปไหว้พระธาตุที่หนึ่งที่น้องบัวลําพู น, นะเราก็เลี้ยวถูกถนนหนทางแนละ้วเกือบจะถึงแล้วนะอีกสามกิโลหรือสี่กิโลเนี่ยถึงเราก็ไปถามแม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง น, นะก็ไม่อ่อนมา ก, ก น, นะลูกก็จู ง, จงกําลังจูงลูกไปโรงเรียนยอมๆไอ้วัดพระธาตุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหน ชื่อวัดหลวงปู่ชื่อวัดนั้นนะบอกชื่อวัดบอกชื่อคนสร้างอู้ตอบอย่างผู้เชี่ยวชาญตอบโอ้เลยมาแล้วท่านเหมือนกันโอ้แล้วก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งโน่นนะ่ะเส้นทางไปอุดรเหมือนกันอยู่เส้นทางไปอุดรกลับเลยกลับรถเลยเราก็เชื่อเราก็กลับรถตามเออกลับรถมาตั้งหลายกิโลเกือบสิบกิโลเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะ ก็ถามเขาไม่อีกรอบบอกท่านน้อนอยู่ทางน้นน่ะ น, นะแล้วก็ปลับไปใหม่เนี่ยนะเขาไปครั้นี้โอ้โหอันนั้นแหละทำให้เราเข้าใจเลยว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอคนที่ตอบบางทีตอบแข็งแรงแข็งขันตอบเป็นเอาจริงเอาจังเยนะความน่าเชื่อถือก็เชื่อมากก็ไม่ได้งั้นเราต้องพอมีข้อมูลเป็นของเราเองเหมือนกันนะน ะ, นะต้องพอมีข้อมูลเป็นของเราเองแล้วก็สอบสวนได้เทียบเคียงได้ แล้วเขามาไม่ให้เจอครั้งเดียวนะไม่ใช่เจอครั้งเดียวอีกที่หนึ่งก็ไปบินทบาทอุ้ยอันนั้นเนี่ยสำนักงานเทศบาลมันใหญ่โตถามคนในอำเภอบอกว่าโยมคื อ, ค, อคือเราเนี่ยเอาเอาข้าวของไปวางไว้ที่เทศบาลนะเทศบาลวารินชมราบอวบลก็วันนั้นเดินทางมาถึงดึกเช้ามืดเลยนะต้องบินทบาทฉันก่อนก็เลยให้เด็กเนี่ยยืนบอกว่าอยู่รอดูพวกบริการอยู่นี่นะเดี๋ยวพระจะไปบินทบาทก็ไปกันสองรูปบินทบาท ตอนออกไปเนี่ยมันตลาดมันยังไม่เปิดใช่ไหมห้องแถวมันยังไม่เปิดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกถน น, นหนึ่งมันเงียบเนี่ยนะเราก็กําหนดได้กําหนดจําไม่ยากแล้วก็ไอ้ตอนนั้นก็มอเดินสำรวจไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคิดว่าคงไม่หลงเหมือนไใ้หมู่บ้านนี่ใช่ไหนได้มันอําเภอเนี่เสร็จแล้วพอได้อาหารน่าจะกลับแล้วทีนี้เอ้ยตลาดมันเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าหน้าฉากกับหลังฉากต่างกันนะเปิดร้านตลาดไปหมดว้ายงงแล้วคันนี้ ที่นี่ที่เราจะไปเราก็ถามเพื่อความแน่ใจใช่ไหมแม้เพื่อความรอบครอบเราต้องถามคนอื่นเข้าหน่อยก็เลยถามเ อ, อ้ยยมเทศบาลวารินอยู่ตรงไหนอู้ทางโน้นท่านเราก็พอจะจำได้ว่าที่เราเดินมาไม่น่าเกินหนึ่งกิโลเราก็เดินเลยเ อ, อ้กิโลครึ่งแล้วมันทาไมมันไม่ถึงสักทีหนึ่งก็ไปถามคนที่เราเชื่อว่าพอจะเป็นจริงๆก็บอกท่านเลยมาแล้ว ลต้องเดินย้อนกลับเท่ากับเดินต้องเดินอีกสองกิโลครึ่งจึงกว่าจะถึงเทศบาลที่เราฟังเนี่เออเนี่ยแต่พอดีว่าไอ้คนหลังเขาอยังชั่วพอเป็นหน่อยคือความผิดพลาดอันนี้ก็ทำให้เข้าใจแล้วก็มีอีกหลายเรื่องก็มีประสบะการณ์อีกบางคนเขาเล่าให้ฟังอันนี้เขาไปไปต่างประเทศเขาไปถามพบ ข, ขึ้นโดยบนรถไฟไอสถา น, นีที่เขาจะลงเนี่ยใกล้จะถึงหรื อ, อยังเขาบอกก็ต้องเลยไปอีกกี่สถา น, นีนะ ก็ไปไปถึงก็บอกเลยมาแล้วก็ต้องลงรอรถอีกเที่ยวหนึ่งแล้วมันต่างประเทศด้วยนะแล้วพูดภาษาเขาไม่ได้ว่าถามคนที่คิดว่าพอตอบได้มันก็เลยไปเลยมาเลยมาเลยไปกว่าจะได้ไหว้ต้นโพเหมือนั้นเถอะสมัยนะั้นเนี่ยนะขึ้นรถจากรลกตาน่ยนะว่าแทบจะลงที่ไหนกันไม่รู้ไปมาไปมากว่าจะได้ไหว้ต้นโพเนี่ยมันยากแท้เนี่ยนะกว่ากว่าจะถูกคนท่านการสอบถามก็เหมือนกัน บางทีเนี่ยนะคนที่ศึกษาธรรมะก็เหมือนกั น, นบางทีมีที่ปรึกษาเยอะมากคนที่หนึ่งว่าอย่างนี้คนที่สองว่าอย่างนั้นคนที่สามว่าอย่างนี้อะนะแล้วก็บอกให้ท่านช่วยบอกให้ทีว่าจะเอาอยัางไงดีว่าคุณเชื่อใครเขเรื่องของคุณเอาไปเองนั่นนะยังไม่ยุ่งกันมาเลยนะบอกว่าทาไมอ่ะก็บอกว่ามันคนละเรื่องอ่ะนะตอบอีกคนหนึ่งตอบขัดกันเองไม่รู้กี่คนต่อกี่คนบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะ เขาเชื่อทุกคน เ, เว้นแต่พระพุทธเจ้าบางคนพร้อมที่จะเชื่อทุกคนเว้นแต่พระพุทธพจน์บอกเอ้านี่คุณอ่านพระตาไตรปิฎกเลยยากเกินไปนะหาเหตุผลจนไม่เอาคิดจะไม่เอาพระพุทธพจน์ตรงนี้มันน่าเห็นใจจริงๆว่าทําไมนาะเขาแยกไม่ออกหรือว่ายังไงใครน่าเชื่อใครไม่น่าเชื่อและไอบริษัทรับปรึกษาก็เหมือนกันเนี่ยนะรับปรึกษาธรรมะเนี่ยนะ รับเสนอโดยที่เขาไม่ได้เรีาขไม่ได้ขอมาเนี่ยโอ้ยยางงี้สิย่างงั้นสิย่างงี้สิย่างงั้นสิไม่รู้ผิดหรือถูกก่อหม่รู้เนี่ยนะตัวเองเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็ไม่สํารวจตรวจสอบอะไรสักอย่างทําหน้าที่เสนออย่างเดียวอย่างงี้สิย่างงั้นสิย่างงี้สิย่างงี้สิไม่เคยสํารวจตรวจสอบผิดหรือถูกยังไงตัวเองพูดให้มันเป็นอะไรพูดเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจมันก็เลยพอๆกันหมดเลยก็ คนถามก็พอกับคนตอบคนตอบก็พอกับคนถามไอ้คนถามก็จะถามยังไงให้ถูกใจคนตอบไอ้คนตอบก็ตอบยังไงให้มันถูกใจคนถามก็เลยชวนกันไปเอาไปเอามาก็นศาสนาของใครแล้วก็ไม่รู้ค่ะนี้นะยุ่งไปหมดเลยทีนี้เอาคนเนี้ยโยงไปหาคนนั้นเอาคนนั้นโยงไปหาคนนี้โยงไปโยงมาก็เลยแตกมันไม่รู้กี่สิบเสี่ยงก็ได้แต่สงครามทางน้ําลายก็เกิดขึ้นเนี่ยนะน้ำลายพ่นกลับไปพ่นกลับมาเนี่ยนะเหมือนพ่นพิษเลยก็แตกแยก กลายเป็นปิสุณาวาจาสอเสียดกันแล้วส่อเสียดกันอีกก็กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าคนเป็นคนที่มีอกุศลกรรมบดมากนะกลายเป็นว่าวาจีทุจริตเนี่ยพูดสิบคำเนี่ยนะด้วยกุศลจิตกี่คําก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องสังวรต้องระวังต้องใส่ใจให้ดีว่าเราในฐานะผู้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าภาษิตของพระองค์เป็นอย่างไรก็ควรที่จะกําหนดจดจําเอาไว้อย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจ หาข้อมูลประกอบจนกว่าจะเข้าใจวันนี้เข้าใจไม่ผิดนะหรือไม่ถามคนที่เขาเป็นจริงๆแล้วคนที่เขาเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอาอัตโนมัติให้เราเขาจะบอกวิธีว่าเอ่อเรื่องเนี้ยถ้าจะถูกเป็นยังไงและมีที่อ้างอิงบอกเราเบ็ดเสร็จเลยว่าเอ่อเรื่องนี้พุทธพจน์ตรงนี้ว่าอย่างงี้เรื่องนี้พุทธพจน์ตรงนี้ว่าอย่างงี้เรื่องนี้พุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยนะแต่บางคนก็แหมมัน ก, ก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะ ก็เลยพอเจอชอบของง่ายเข้าเนี่ยบอกโอ้ไม่มีอะไรคุยกันแล้วอ่างนั้นคือถ้าชอบง่ายเขาบอกว่าบางคนว่าอุโอไปฟังที่นั่นมาง่ายฟังที่นี่มาง่ายฟังอย่างงั้นว่าง่ายก็เอาตามอัธยาศัยก็เลิกกันอ่างนั้นก็ไม่ว่ากันอ่ะนะตามอัธยาศัยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยกรรมเป็นของตนเนี่ยนะเพราะเราต้องย้อนกลับมาว่าเจตนารม์ที่เรามาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนนี่คืออะไรใช่ไหม ถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายไม่ชัดเจนในการศึกษาคําสอนเราจะไปที่ไหนครับเนี่ยเราก็จะไม่อยู่ในคําสอนเมื่อไม่อยู่ในคําสอนเนี่ยนะมันลําบากนะพยายามกําหนดไว้เถอะว่าทางเพื่อความพ้นทุกมีอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและคนที่แอ บ, บมาแฝงอยู่เหมือนอริ ธ, ธาภิกษุละ่ะเพราะคนที่มาแฝงอยู่อาศัยอยู่อย่างเนี่ยมีมากเนี่ยนะมีเยอะมากเพราะันถ้ามีเยอะอย่างนี้แล้วเราทํำยังไงดีเนี่ยนะศรัทธาของเราซึ่งมีก็ไม่ค่อยมากอยู่แล้ว ปัญญาของเราก็กําหนดจดจําอะไรได้ไม่เยอะอยู่แล้วแล้วอะไรควรจําอะไรไม่ควรจํามันวิจารณญาณตรงนี้ต้องแม่นหน่อยทำ ถ, ถ้าไม่แม่นจริงๆเลยก็สัตว์บุรุษทีนี้ว่าสัตว์บุรุษก็ต้องพยายามว่าคนที่สัตว์บุรุษคือใครบอกว่าคนที่ตามใจเราเนี่ยนะคนที่ไม่ขัดคอเราเรียกว่าเป็นสัตว์บุรุษถ้าอย่างนี้ก็ยุ่งแล้วค่ะเนี่ย